ชีวิตเป็นที่รักพระพุทธภาษิตสัสพเพตะสันติทันทัสสะสัพเพสั้างชีพิจังพิยังอัตานังอุปมังค ต, ตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัจยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคลเอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าอธิบายความข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้ ต่อไปนี้จะพรานาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คําตอบเป็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกได้ให้คํานิยามคําว่าชีวิตไว้มากมากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านตอบส่วนมากก็ตอบตามประสบการณ์ของตน ตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสาเหแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คําจํากัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คําจำกัดความชีวิตไปทํานองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆก็มีได้อ่านคํานิยามอันมากมายของคําชีวิตแล้วอยากจะให้คําตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คําจำกัดความได้ เพราะมีมากแง่มากมุมละเกินทำนองเดียวกับที่ G. E. Moore G. E. Moore เป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัจจนิยมมีชีวิตอยู่ราวปีคปริสตศักราช1873เป็นชาวองังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญาและปรกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ญานวิทยาและจริยศาสตร์ ผลงานที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Principia Ethica และ Philosophical Studies. G.E. มัวให้ทัศนะว่าคําว่าความดีนั้นให้คําจำกัดความไม่ได้ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คําจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คําจำกัดความมีแต่จะนําไปสู่ความผิดมัวกล่าวว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองชันใดความดีก็คือความดีฉันนั้น ถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะต่อชีวิตอย่างไรคําถามนี้ตอบง่ายชาวพุทธแทบทุกคนรู้คือพระพุทธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมเสร็จหากคุณได้ทรงสอนอริยสัจสามข้อหลังไว้พระพุทธศาสนาพ่อคงเป็นถุนนิยมมองชีวิตในแง่ร้าย ถึงกระนั้นและปราฏิของชาวตะวันตกบางคนก็ยังมองพระพุทธศาสนาไปในแง่ทุนิยมเพราะการกล่าวว่าชีวิตเต็มไปได้วยความทุกนั้นมองในแง่ประมัตธรรมคือระดับธรรมที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกขและไม่ใช่ต่างกันกับทุกขแต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกจึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ได้ต่างกันแต่เพราะอาศัยลมพัดทะเลจึงมีคลื่นขึ้น เมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกขและไม่ได้ต่างจากทุกขแต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นและมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสนุนความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกันกับทุกขพระอริยเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ม่อาจเหนินห่างจากทุกได้ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกขคือแยกกันเด็ดขาดจากทุกขบุคคลก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข แม้จะมีกิเลสมากมายเพียงใดก็ตามเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกเด็ดขาดจากน้ําทะเลรวมกว่าว่าชีวิตทุกกิเลสขันเท่ากับชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันข้อความในพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือขันเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนอกจากขันห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันห้าเป็นก้อนทุกข์เป็นที่จับเกาะของทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นบอ่อใหญ่เป็นบอ่อเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบไวในอินทกสูตรสังยุตตนิกายสคาทวักว่าดังนี้ ปธรรมกัลลังโคติกัลลาโหติอัพุทังอพุทาชายติเบสิเบสินิปัตตติยิขโนคนาปะซาฆาชาญติเกซาโลมานาฆาพิจักยันจสะพุนชะติมาตาอันนางปานันจะโพชนังเตนะโซตัปทยาเปติมาตุกุตฉิกาโตนะโรเริ่มแรกเป็นกลลละคือเซลล์จากกลลละเป็นอั พ, พุทธะคือก้อนเนื้อเหลว จากอภูตะเป็นเปสิคือก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือและเทา้าผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริภโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในคานมารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเด็กได้อาหารจากแม่ทางสายสะดือ เป็นอาหารสําเร็จรูปที่เขานําเข้าไปเลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ต้องย่อยอีกนั่นคือเลือดเด็กจึงได้รับเลือดแม่ในขณะปฏิสนธิครั้งหนึ่งและในขณะอยู่ในคันได้รับเลือดแม่ทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลาขณะตั้งครันท่านจึงให้มารดาเว้นอาหารรสจัดทุกอย่างเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ในต่างขดสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อสมัยนั้น เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเลยคําตอบก็คือส่รงรู้ได้ด้วยพยานอันรุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุ ป, ปรุโ ป, ปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายชีวิตและจิตใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงสัพเพสร้างชีวิตตางปิตย์อย่าง ความรักชีวิตเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ไม่ว่าชีวิตจะต่ำช้าเร็วสามสปานใดในสายตาของคนอื่นแต่มันจะต้องเป็นที่รักแห่งเจ้าของมิฉะนั้นแล้วไฉนเล่าคนจึงถนอมชีวิตเป็นนักหนายอมสละทุกสิ่งทุกอย่างนอกกายเพื่อรักษาชีวิตความรักตนเป็นความรักที่สูงกว่าความรักอย่างอื่นนาทิอตตะสมังเปมังจิงอยู่ เรามักระยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธล่ะว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องด้วยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทำเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสำหรับชาวโลกทัท่วไปแต่คนที่ได้อบรมใจยอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิต ยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธรรมพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชทนังอังควรสเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังกังจะเชชีวิตตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังกรรังทนังชีวิตตังจาปิ สัตบังเะเชนโรธรรมมนุสรันโตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชีวิตบุคคลนั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพจ้าองค์ต ร, รัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้น ก, การเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น เพราะชีวิตของใครๆก็รักพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชเทวนารามมุงสาวัตถีทรงปรารบภิกษุฉัพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุชาพักคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรกนี้พวกภิกษุชาพักคีจึงเงอดเงื้ อ, อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตะสะพคีคือพวกสิเจ็ด พระศา ส, สดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงืดเงือ้อพิสุได้ทำท่องอาบัติปาจิตตีทรงบัญญัติตละสัตติกะสิขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงืดเงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นและทรงประทานพระโอาวาทว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่า มีนัยยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น